11. โซตาปฏิสังยุตหนึ่งเวรุทวารวักหมวดว่าด้วยเวรุทวารคามหนึ่งจักกวัต ด, ดิราชสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักกพัทร้เิเเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพิสษุทั้งหลายพระเจ้าจักกะพัททรงครองราชเป็น อิสาราธิบดีแห่งทวีปทั้งสี่หลังจากเสด็จสวรรคตแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับลาวเทพชั้นดาวดึงเท้าเธอทรงแวดล้อมด้วยหมู่นางอับสรเพียบพร้อมบําเลอตนด้วยการมคุณห้าประการที่เป็นทิพสําราญพระไทยในสวนนันทวัน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 นุ่งห่มผ้าที่เศร้ามองเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็พ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์ดิรชานพ้นจากภูมิแห่งเปรตและพ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตไปได้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยาสาวกในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง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 อริยส า, าวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลภิกสุทั้งหลายการได้ครองทวีปทั้ง4กับการได้ทำสประการการครองทวีปทั้งสยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน1ิแห่งการได้ทำสี่ประการเลยจากวัดดิราสูตรที่หนึ่งจบ